ต่อนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของทนให้แน่วแน่ใจดวงเดียวนี่แหละสำคัญกว่าเชิงอื่นทั้งหมดไม่ว่าเต่ไหนต้องกลายในโลกสนิวัตอันเนี้ยก ธานิวัตอันนี้ถ้าไม่มีจิตตรงนี้แล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเลยพรไม่มีใครรับรู้อะไรไม่มีสิ่งใดรับรู้อะไรทั้งหมดมีแต่จิตตรงนี้หลรับรู้โลกธานิวัตอันนี้ ว่ามันเป็นยังไงยังไงวันนี้จิตตรงนี้เมื่อไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้สงบให้รู้ให้ฉลาดแล้วมันก็หลงหลงโลกอันนี้หลงความเป็นไปของโลกมีความกำหนัดยินดี ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอันธรรมชาติกี่สร้างขึ้นมาธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วจะจิตตัวนี้ก็หลงหลงสำคัญนาเป็นของสวยของงามเป็นของน่าเชยชม จป็ของน่ารักใครพอใจอเหตุังนั้นคนเรามันจึงเกิดมาในโลกนี้มากมายเพราะมันหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่ในโลกสดงว่าอันนี้มามนับชาติไม่ทวนแต่ละคนละคน ก็มาหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสของเก่านี้เองเนะแต่มันมันมันเกิดใหม่เมื่อของเก่าสำรุดสุดรมแตกดับไปจิ ต, ตรวงนี้มันก็มี ร, รมดีครรมชั่วนำไปเกิดอาศัยรูปนำอันนี้อีกต่อไป ถ้าจิตนี้ยึดเอาบาปเป็นภานะบาปมันก็ไปตกแต่งรูปอันน่าเกลียดน่ากลัวรูปอันไม่เป็นไปเพื่อความสุขยันอย่างรูปสัตว์รกตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นำร้อนลวกไฟเผา คนทุกข์ทรมานรูปนั้นมันไม่ได้ว่าอะไรจิดตดวงนี้ต่างหากทนทุกข์จิดตดวงนี้ต่างหากมีความรู้สึกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทฝึก้ง ฝึกฝนอบรมจิตดวงนี้ให้มันฉลาดให้มันรู้ความจริงของโลกนี้โลกหน้าตามความเป็นจริง mm. เมื่อมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตามความเป็นจริงแล้วมันก็ยอมละสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อทุกข์ มันย่อมทำในสิ่งที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนนี่หมายถึงความจิตที่มีความรู้ความฉลาดเพราะว่าเครื่องหมายแห่งความสุขหรือความทุกข์ความดีหรือความชั่วมันมีอยู่มันมีให้จิตได้รู้อยู่แต่จิต นี่เมื่อพะมัดมัวเมาไปในกรรมคุณทั้งห้าแล้วมันก็เลยไม่พอใจที่จะปึกตนแม้ผู้ที่บวชเข้ามาแล้วก็เหมือนกันไม่ว่าแต่ผู้อยู่คองเรือนถ้าจิดตดวงใดมันประมาท ไม่ทำความเพียรไม่ฝึกตนแล้วมันก็หลงมันก็หลงโลกอันนี้แหละหลงหินดีหลงหินร้ายไปํากระแสะของโลกเกิดถ้าเป็นเหตุให้ประพฤติธรรมวินัยย่อหย่อนไม่เอาจริงเอาจัง ในที่สุดก็ชีวิตก็เสื่อมจากเพศพรหมจรรย์อันผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะทนทานอยู่ได้ยืนหยัดอยู่ในคุณงามความดีของสมณะเพศได้ก็เพราะว่าผู้นั้นไม่ประมาทฝึกตนอยู่เสมอสำรวมตน สำมรวมกายสำมรวมวาจาสำมรวมจิตอยู่เสมอสำมรวมให้มันตั้งอยู่ในระเบียบวินัยของแต่ละเพศแต่ละ บ, บุคคลแต่ลนนะหมู่คณะ เมื่อพระธรรมวินัยบัญญัติไปอย่างไรก็ปฏิบัติตามไม่ล่วงเกินไม่ประมาทก็เช่นนี้นะมันถึงจะพ้นจากทุก์ได้มันถึงจะไม่ได้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะอันนี้โดยไม่มีที่สิ้นสุด ความจริงน่ะจิตตรงนี้มันลงกำนัดยินดีในรูปในร่างกายสังขารอันานี้มานับชาติไม่ทวนแล้วลงยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสมบัติต่างๆ ก็นับชาตไม่ทวนมาแล้วยังมองไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรเบื่อหน่ายย่างไปเข้าใจว่ามันเป็นของดีเป็นของงามเป็นของน่ารักใครพึงใจอยู่นั่นแหละ แต่ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นของดีของงามน่ารักให้พึงใจอะไรเลยมีแต่ของเน่าของเปื่อยมีแต่ของไม่สะอาดรับประทานอาหารเข้าไปแล้วไฟธาตุก็ย่อย ด้วยส่วนละเอียดไปเลี้ยงร่างกายส่วนยากก็เป็นอุจจาระปัสสาวะออกไปถ่ายเทออกไปแล้วก็มีกลิ่นเหม็นอย่างนี้นะเมื่อไรเราเราจึงจะเบื่อหน่ายสักทีอืม ความจริงของร่างกายมีอย่างนี้จริงๆนะไม่เฉพาะแต่อุจาระปัสสาวะเท้งนั้นขี้ตาขี้หูขี้จมูกขี้ลิน้นเหงื่อใครไหลออกมาตามขุมขนถ้าไม่อาบน้ำชำระตัวไม่ สองสามวันเหม็นคุ้งเข้าใกล้ยังกะแทบไม่ได้กล็ลองคิดดูมีอะไรเป็นน่ารักที่น่ายินดีพอใจอบางคนก็อาจจะพูดว่าอ้าวทำยังไงมันเกิดมาแล้ว จะไม่ต้องกินอะไรปล่อยให้มันหิวแห้งตายไปแตกทําลายไปอย่างนั้นเหรอคนขาดปัญญาแล้วมันก็อาจจะคิดไปทั่วอย่างนั้นเนะี่ยคนมีปัญญาเขาไม่คิดอย่างนั้นชิงอยู่ร่างกายในมันไม่เที่ยงมันไม่สวยไม่งามไม่สะอาดแต่ว่า มันเป็นที่อยู่อาศัยของดวงจิตดวงนี้สำหรับให้ดวงจิตนี้ได้ใช้กายวาจาประกอบกุศลกุณงามความดีสร้างบุญบา ร, รมีให้เกิดมีขึ้นในดวงจิตนี้ถ้าดวงจิตนี้ไม่ได้อาศัยรูปร่างของมนุษย์นี้ก็สร้างบุญบา ร, รมีไม่ได้ เพราะว่าจิตดวงนี้ถ้าไม่มีบุญบา ร, รมีเป็นผู้นำทางแล้วก็มันก็หลงง่วงอยู่ในโลกนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสพวกสำเวสีพวกเล่ร่อนหาที่เกิดไม่ได้เพราะไม่มีบุญมันเป็นอย่างนั้นเดืองมันนะดังนั้นถ้าหาว่า ผู้ดใดรู้เข้าใจอย่างนี้แล้วว่าคือได้เกิดเป็นคนมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ปล่อยให้ร่างกายนี้มันชดรมเน่าเปื่อยไปเสียเปล่าเวลาบุญกุศลที่ได้สร้างได้ทา ม, มาแต่หนหลังอุปธรรมบำรุงโยให้มีกำลังเรี่ยวแรงดี อยู่อย่างนี้แล้วก็รีบเร่งทำความดีเข้าไปอย่าไปใช้กายวาจาอันนี้ทำความชั่วไอ้ที่มันพาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไมห่หยุดไม่ยั่งนี่ก็เพราะความชั่วนี่เองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นได้ เพราะบาปกรรมนั่นเองเนี่ยบุคคลทำบาปทำกรรมและบาปกรรมก็หน่วงเหนียวดวงจิตนี้ให้ไปตกนรกบ้างไปเป็นไปรดบ้างเป็นอสุรกรายบ้างไปเกิดเป็นสัตว์ดีไรฉานบา้างอะไรเกิดเป็นคนมา ก, กับคนพิคนพิการต่างๆเป็นใบเป็นบ้า ไม่เิ็นไรเป็นบ้ า, บาก็ไม่มีสติปัญญาที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้หรือไม่มีสติปัญญาที่จะสร้างบุญสร้างกุศลอะไรได้มีแต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเป็นโย อาศัยพี่น้องอาศัยชาวบ้านเป็นโยคนวิคนวิ ก, รวการคนไม่มีบุญอาศัยพ่อแม่เลี้ยงจนใหญ่จนโตจนถึงวัยกลางคนอะไรจนตายเพึ่งคนไม่มีบุญนะให้คิดดูให้มันเห็น ถ้าเช่นนั้นมันมนุษย์มันจะแตกต่างกันยังไงแล้วคิดให้ดีที่มันมีความเป็นอยู่แตกต่างกันอย่างนี้ก็เพราะเหตุเรื่องบุญเรื่องบาปนี่เองเนี่ยร่างกายนี้จะให้มันเกิดเองโดยลําพังโดยไม่มีบุญบาปนํำมาทุกแต่งให้เกิดขึ้นไม่ได้ บนบาปนี่มันซืบเนื่องกันมาในสงสารอันนี้เมื่อเมื่อจิตตรงนี้ยังไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานตราบใดแล้วจิตตรงนี้เมื่อมันไม่รู้จริงแต่มมนจริงมันก็หลงไปทำบาปบ้าง บางทีรู้ตัวก็ทำบุญบ้างทำความดีบ้างแล้วเมื่อลืมตัวก็ทำความชั่วไปบันิึกรดีคาชั่วนี่ก็นำดวงจิตดวงนี้ไปเกิดอย่างที่ว่านั่นแหละผู้ที่มีบุญกุศลอยังไม่ เต็มบริบูรณ์บุญกุศลนั้นก็นำไปเกิดสวรรค์เป็นเท ว, เทวดาเป็นอินเป็นพรหมได้สมยความสุขอยู่นานพอสมควรนี่อนุภาพของบุญบุคคลผู้มีบาปมากทำบาปมากบาปมันก็นำไปสู่นรกอภัยภูมิดังกล่าวมาแล้ว ก็ทนทุกข์ทรมานอย่างว่านั่น น, ะนี่แหละสายเหตุที่คนจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะบาปอย่างที่ว่าถ้าหากว่าเป็นผู้สร้างบุญกุศลทาความดีไปร่นร้วนบาปไม่เอาไม่ทำอันบุญกุศลนี่มันก็แก่กล้าได้เร็วเพราะไม่มีบาปมา ปัดคว้างไม่มบาบมาแทรกแสงแต่งันเมื่อบุญกูจศนเต็มแล้วมันก็บรรดานให้มาเกิดในศาสนาของพระพุเทธเจ้าพระ อ, องค์ใด อ, องค์หนึง่งหรือว่าเกิดในระหว่างที่พระพุเทธเจ้าบางเกิดขึ้นนั่นแหละ เมื่อกระไดฟังคำสอนของอุทิเจ้าแล้วได้ปฏิบัติตามก็ได้บรรลุมรผลธรรมวิเศษตัดกิเลสขาดจากสันดานหมดอายุสังขารแล้วก็เข้าสู่นิพพานเมื่อนั้นแหละจึงหมดทุกหมดยากจึงไม่ได้มาล้องไห้ลำไลเศร้าโศกจด โลกาอยู่ในโลกสนิวาทอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แจ้งโลกทั้งสามอันนี้ดังกล่าวมานี่แนละรเราต้องเราผู้เป็นพุทธบริษัทควรพากันพิจารณาให้มันรู้มันเห็นตามที่แนะนำสั่งสอนมานี่ ผู้ใดเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็เบื่อโทษเบื่อความชั่วไม่ปรารถนาที่จะทําความชั่วเบื่อราคะความกาหนัดยินดีความกําหนัดยินดีเ น, น, นี่ยเป็นตัวกิเลส ต, ตัวสําคัญที่สุดเลยทีเดียวเมื่อมันไม่ทําวมเมียนไม่ระงรับ ความกำหนัดยินดีอันนี้แล้วมันก็จิตใจมันก็พุ่งส่้า น, นวุ่นวายกดใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆบางคนก็ เ, เลย ทำบาปทำกรรมไปคนมีราคะกล้าถ้าผู้หญิงมีสามีแล้วก็ยังไม่พอใจก็ยังไปคบชู้สูซ้ายอื่นอยู่มีอยู่ทั้ไปในโลกนี้ผู้ชายก็เหมือนกันถ้าเมื่อปล่อยให้ราคะ ปัญหาอันนี้ครอบงำจีแจวมากมันก็ประพฤติผิดมิชชาจารกรรมไปเล่นสู้จากเมียหรือไปสมสู่กับเมียของคนอื่นให้เกิดเรื่องราวฆ่ากันทำลายกันพ้องร้องกันติดคุกติดตาราง มีอยู่ทมไปได้รับทุกทนทรมานในเดืวันรกเมืองมนุษย์ได้แก่คุกตรางบุคคลรู้อำนาจแก่ราค่าตันหาเล้ยวไปทำชั่วอย่างว่าไปเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนผิดกฎหมายบ้านเมือง้วมนก็เป็นธรรมดาเน้วย ถูกกลับกลมพ้องร้องศาลตัดสินลงโทษจำคุกเท่านันปีเท่านนปีบางคนเป็นทาแถ่งราคะตัณหาอย่างนี้แล้วก็อ้าวได้ผัวได้เมียมาแล้วก็อย่างว่านั้นเนี่ยไปประพฤติเล่นชู้จากผัวจากเมียนะก ทะเละกันอย่าร่างกันผู้ชายก็ไปเป็นนักเกลงสารพัดจิตใจพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายไปเป็นนักเกลงเจ้าทูเป็นนักเลงสุราเป็นนักเกลงเล่นการพนันไปคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นเพื่อนสั่ง ส่องสมโจรกรรมชวนกันไปจี้ไปป้นไปลักสารพัดมันเกิดจากราคาตันหานี่ทั้งนั้นเนี่ยคนทำความชั่วฝ่ายผู้หญิงก็เอาเ่ยอยากกับลูกกับผัวแล้วกับเที่ยวเล่ยรอนป้ายเป็นหญิงโชเพนีก็มี ไปสมสู่กับชายอื่นโดยไม่เลือกเลยกลายเป็นคนทิ้งคนเสียไปบางคนก็บรมีลูกทิ้งลูกก็ให้พ่อให้แม่เลี้ยงไอ้ตัวเองสัตเซผาเนจอนไปทั่วโอ๊ยอันมนูนีมีอยู่ในโลกนี้ทมไปผู้มีปัญญานะ่พิจารณา ดูให้มันเห็นแล้วมันก็สังเวชสะลดใจผู้มมีปัญญาแล้วก็เฉยๆเรื่อยๆไปไม่เบื่อไม่ไนายและไม่ท่าตัวเองกับเอาอย่างเขาก็มีอันบนนี้นะมันควรพิจารณาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ก็ควรจะมองเห็นได้เพราะว่าเป็นผู้ถอนตัวออกจากสังคมเช่นนั้นมาแล้วห่างไกลเรียกว่าทางกายนะห่างไกลจากสังคมเช่นนั้นมาแล้วเมื่อมาห่างไกลาจากสังคมเช่นนั้นมาแล้วเนะมื่อนั่งสมาธิภาวนา ทำใจสงบแล้วก็มองดูโลกอันนี้มันก็เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งได้ผู้ที่ไม่ภาวนาสมาธิจริงจังทำโบเป็นวิธีกิเลสมันก็ไม่อ่อนกำลังลงมีแต่มนครอบงำจิตใจไปเรื่อยๆแม้บวชอยู่ก็ มืดมัวมืดมนมัวเมาอ่าจิตใจเป็นเช่นนั้นนะไม่สางไม่เมาไม่สางเมาสร้างวิมานบนอากาศอนกบวนดิชอบเป็นอย่างนั้นก็ลองคิดดูนั่งภาวนาแทนที่จะนั่งพิจารณา ร่างกายสังขารใ้เห็นเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาควรจะให้เห็นทุกเห็นภัยในสงสารไม่นั่งภาวนารสร้างวิมานบนอากาศเราจะต้องศึกออกไปแล้วก็ไปหาเงินหาทองได้เงินได้ทองมาแล้วก็แต่งเมีย แล้วก็สร้างบ้านสร้างเรือนอะไรทออะไรมากับดำริดตีตองป้ายเมื่อดำริดมองว่าเขาเอาเล้่ความกระสันจะเกิดขึ้นอย่างแรงมองไม่เห็นทุกข์ในสงสารเลยวันนี้นะก็ทอนตัวออกจากพมจัรป์ายทนทุกข์ทรมานในโลกกับเขา นี่ราคะตัณหานะี่ะมันมีโทษมากน้อยเพียงใดพากันพี่นะให้มันเห็นแล้วก็ฝึกตนทรมานตนถ้าเห็นโทษของมันแล้วอย่าไปชอบแต่ความสุขสบายชั่วคราวต้องเอาทุกเป็นทุนของอุนี้นะ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าคันนสัญญามันปกปิดทุกขลระขณะคนว่าคือความที่จิตเห็นร่างกายนี้ว่าเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นตัวเป็นตนนั่นนะ่ะนี่แหละมันปกปิดความทุกข์ไม่ให้ปรากฏในจิตใจคนเราพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างนี้นะ ดังนั้นพระ อ, องค์จึงสอนให้ภาวนาว่าภาพในใจแล้วนะกระจายร่างกายนี้ออกผมกักองหนึ่งคนกักองหนึ่งเล็บกักองหนึ่งควานกองหนึ่งนังกักองหนึ่งเนื้อกักองหนึ่งไปอย่างนี้นะสมมติว่า เมื่อจิตถอนออกจากร่างนี้แล้วร่างกายนี้มันจะเป็นยังไงไปวาดภาพดูนนมันก็กระจายกันออกไปนะเป็นอาหารของสัตว์ไปเมื่อไม่เผาไว้ฟังนนแล้วก็มีกลิ่นเหม็นอย่างไม่มีกลิ่นเหม็นอันใดในโลกจะเท่ากลิ่นเหม็นมนุษย์กลิ่นเหม็น รากของมนุษย์อย้นเราพิจารณาดู ด, ดูเป็นความจริงไหมเรื่องหูเนี่ยนี่เราเอาความจริงมาพูดสู่กันฟังอะ่ะจะไปปกปิดความจริงไว้ทำไมอะ่ะก็เพราะมันปกปิดความจริงไว้นี่เนี่ยมันจริงว่ามันพ้นทุกข์ไม่ได้ พระพุเจ้าอยอุปมาไม่หลายอย่างเหมือนอย่างหนอนอยู่ในหลุมส้วมบรรดาหนอนทั้งหลายอยู่ในหลุมส้วมมันไม่เบื่อไม่นายทั้งที่อุจจาระนะ้มันเหม็นมันมีกลิ่นเหม็นหนอนตัวหนอนนั้นมันไม่เหม็นนะมันมีแต่ดูดกินอุจจาระอันนั้นเป็นอาหารเลี้ยงตัวไปจนกลัวจะตาย อันนี้ชั้นใดเหมือนกันจิตที่ตกเป็นท่าแห่งราคะตัณหาแล้วมันก็ไม่เบื่อไม่ไน่ายในรูปร่างกายอันนี้เอาอาบน้ำถูสบู่ขัดตัวชำระกินสิ่งโสโครกออกไปเอาน้ำอบน้ำหอมมาทาเข้าไปเพื่อปกปิด กลิ่นเหม็นไม่ให้มันเกิดขึ้นก็เป็นอย่างนั้นจังหวาพอเข้าใกล้กันได้มนุษย์เรานะ่ะต้องคิดดูให้ดีถ้าว่าไม่ชาระล้างขัดทูไม่ประคบประงมอย่างว่านี่ละโอ้ยเข้าใกล้ก็ไม่ได้เรกมีมกลิ่นเหม็นพุ่งไปทั่วเลย บางคนก็ปากเหม็นเ อ, อาก็ให้นั่งคุยกันผินหน้าใส่กันไม่ได้กินปากเหม็นพุ่งมาใส่จมูกตอนนั้นยังไม่คิดไม่คานึงอันนี้ก็เหมือนกันควรพากันพิจารณาก็ปากทำไมมันจึงเหม็นเข้าใจว่าฟันแหละมันเกิดโรค มันมีมันมีแมงกินฟันทำให้ฟันลากฟันนั้นเน่าผุแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาบางคนก็รับประทานอาหารแล้วก็ไม่ทำลากฟันไม่จิ้มฟันปล่อยให้เศษอาหารแทรกอยู่ในชอกฟันนั้น อาหารก็เน่ากว่านี้ก็ส่งกิ่นออกมาเหตุรังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติให้ภิกษุทั้งหลายใช้ไม่สีฟันจิ้มฟันพระพูทธด้าปล่อยให้เศษอาหารติดอยู่ในชอกฟันนั้นเลยเที่ยงไปแล้วเป็นอาบัติปาจิติผิดสิกขาบท วิกาลพืมพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสั่งสอนอันลำพังแต่เอาแปลงสีฟันถูฟั น, นเฉยๆนี่มันอาหารที่ติดอยู่ในชอกฟันนั้นไม่มีทางลนะมันจะออกนะเหตุนั้นโลกเขาก็จึงมีไม้สีฟันขายเป็นกล่องเป็นกล่อง เราในร้านอาหารมือคนกินอาหารเสร็จแล้วก็ใช้ไหมสีฟันไม่เอาใช้ไหมจิ้มฟันเศษอาหารติดอยู่ในช่องฟันออกไปล้างปากให้สะอาดอมสมณะเรารักวดเราต้องใช้ไม้สีฟันตามที่พระพุทธเ จ, จ้าทรงบัญญัติทรงแนะนำ สั่นแล้วต้องี้มฟันี้มฟันแล้วต้องเอาทางที่เป็นผอยนั้นถูํำละเศษอาหารที่มันติดอยู่ตามฟันตามมุนนั้นออกไปอย่าให้มันมีเศษอาหารติดอยู่ทำอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ทรงกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นอยู่ในปาก เังนั้นเฉพาะคนเรานะไม่ใช่มันตุดสะอาดเมื่อไหรรูปร่างกายอันนี้พิจารณาดูให้ดีดีมันพอเข้าใกล้กันได้พอทั้งคมกันได้ก็เพราะอย่างว่านั้นแหละชำระล้างขัดถูก็คบประงมอยู่เสมอเสมอพราะนั้นแหละ แต่คนผู้ประมาทเนาเหม็นประใดมันก็อุตส่าห์ดมอยู่ใช่ไหะแทนที่จะพิจารณาให้พ ง, ส, งสังเวชองหรือว่าเบือหน่ายด้วยปัญญาความรู้ความสลาดสอนใจตัวเองไม่เอาเหม็นก็ดมเหม็นอยู่งั้นแหละบางคนยิ่งเหม็นก็ยิ่งชอบ เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าคนเราในโลกนี่นะมันจึงพ้นทุกไปไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักหน่ายไอดวงขีดดวงนี้แหละมันก็มาสัมผัสกับความไม่เที่ยงของร่างกายนี่มจมูกได้สูกกลิ่นเหม็น กินเหม็นมันกับขานวิญญาณมันกับวิญญาณอันนี้ส่งไปหาจิตจิตกระรัรวเหม็นอ่าเย่งนี้แต่ละเหม็นเฉยๆฮะนี่ไม่มีปัญญาพิจารณาเบื่อหน่ายอือแต่ที่มันจะคลองอยู่ในโลกนี้นะมันเป็นอย่างนั้นถ้าผูใ้ใดมีปัญญา พิจรารณาโอ้ร่างกายเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนอะทำไมจึงมาหลงรักหลงไข่หลงยินดีอยู่นี้ใช่อุบายปัญญาสอนจิตดวงนี้เข้าไปเมื่อจิตนี่มันถูกปัญญาสอนข้งนี้มันก็เห็นชอบตามนะปะน่านี้โอ้จริงในะร่างกายนี่ไม่มีส่วนใดสะอาดเลยก็ พอประทังอยู่ได้ก็เพราะมีหนังอย่ว่า น, นั้นแล้วเคยผูดอยู่บ่อยๆหนังนี่นะหุ้มสิ่งโสโครกอยู่ถ้าลอกหนังนี่ออกแล้วอะไรแล้วมันจะเกิดขึ้นในร่างกายอันเนี้ยลงบาดภาพดูถลอกหนังนี่ออกแล้วมักมนก็มีแต่น้ำเลือดน้ำเลง นำน้องอันนั้นวันลั้นทะลักออกมาแล้วก็ส่งกิ่นพุ่งไปทั่วนี่ที่มันไม่ส่งกลินไปมากเกินประมาณนี้ก็เพราะมันหนังนี่นนนเองนะหุ้มไว้แต่หนังหุ้มไว้ได้มันก็ยังเล็ดลอดออกมาได้สิ่งโศกโกรกอยู่ในร่างกายอันนี้นะเหอใครที่ ไปธาตุย่อยอาหารเข้าไปเลียงร่างกายแนละ้วมันมันเป็นของเสียไปแล้วเหมือนอย่างเหมือนอย่างไอเสียของรถยนตนะ์อ่ะเขาก็ทำท่อระบายไอเสียออกไปถ้าไม่ทำท่อระบายไอเสียออกปล่อยให้อของระมานั้นมั น, นะมนที่มันเสียแล้วนะั้น ตั้งอยู่ในรถนั้นไม่ได้รถไปไม่ได้เลยเสียอือไอ้ร่างกายคนเราเนี่เหมือนกันนะถ้าไม่มีช่องระบายของเสียออกไปเลยเนี่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้เล ย, ร, ย, เ ย, เ ร, เย ร, ร่างกายนี่เกิดโรคเกิดภัยสารพัดร่างกายนี่ทนทานอยู่ไม่ได้เลยอืมเป็นอย่างนั้น ดังนั้นธรรมชาติจึงได้สร้างให้มีขมขนเนี่ยกับเป็นที่ระบายออกซึ่งอาหารส่วนละเอียดที่ไปเลี้ยงร่างกายทวารหนักทวารเบาเป็นที่ละอระบายออกซึ่งอาหารหยาบที่ปลายทา่าด้วยแล้วหูก็เป็นที่ระบายออกซึ่ง สิ่งเสียหายในหูที่เรียกว่าขี้หูตาก็เป็นที่ระบายออกซึ่งขี้ตามันก็เสียเหมือนกันนะไอ้เพราะว่าอาหารหล่อเลี้ยงตาไปแล้วส่วนมันหล่อเลี้ยงไปแล้วมันเสียแล้วมันก็เป็นขี้ตาออกมาเป็นน้าตาออกมา ลองลองพิจารณาดูให้ดีๆลองดูสิส่วนไหนเทว่ามันสวยงามอ่ะนั่นเนี่ยหน้านี่ก็เหมือนกันนะถ้าลองไม่ล้างหน้าสักเจ็ดวันลองดูสิเอ้ยไม่มีไม่มีสะอาดสะอ้านอะไรหรอกมีแต่คล่ำเข้าไปแล้วเกิดเหงือไขติดเกล็กั้งเข้าไปแล้ว ไม่มีความสะอาดอะไรแล้วอันหน้านี่แหละคนหลงหน้านี่มากกว่าอย่างอื่นทีแรกนะเมื่อทีแรกเห็นเข้าไปมองดูหน้าแล้วเห็นมีน้ำมีนวลอะไรกันเข้าไปแล้วกัแหมสวยเว้ยหน้าของผู้นี้สวยดี เ, เกิดความกํหนัยินดีขึ้นมาอย่างนี้ เมื่อมันยินดีในหน้านะในนนี้มันก็ยินดีส่ว น, นอื่นเข้าไปลึกเข้าไปอีกมันเป็นอยงนั้นแท้ที่จริงแล้วหูต้องประครบประงมต้องคัดต้องสีตส้องชำระสาสางกันอยู่พอนั้นมันก็ยังพอดูได้นี่เองนะดังนั้นให้พากันพิจารณาให้ดี เราเป็นนักบวชเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเทจา้าผู้เป็นประศาสดาของพวกเราทั้งหลายนะเพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่บุญวัฒนะบา ร, รมีตกแต่งรูปร่างพระวะรก า, ายให้อันใดก็สวยงามทุกอย่าง เมื่อบุญบา ร, รมีมาถึงแล้วพรอองค์ก็ยังทรงพิณายเห็นว่าไม่สวยไม่งามเลยเหมือนปราชาผีดิบพรอองค์มีความรู้สึกการอยู่ในพระราชวังโออาอันนั้นเหมือนกับอยู่ในปราชาผีดิบแต่้างบุตรการมีปราชาผีดิบคนตายแล้วก็เอา พาขาวพืนึงห่อร่างกายแล้วก็เอาใส่แค่หามไปไปทิ้งไว้ในป่าช้าผีดิบอันนั้นไม่ฝังไม่เผาความเห็นของชาวอินเดียว่าให้ร่างกายนี้เป็นทานแก่สัตว์ทั้งหลายที่มันกินซากศพพวกสุนัขจิงจอกพวกสุนัขบ้านสุนัขกว่าพวกแรง้งพวกกา หลายหลายประเภทมากินซากศบอันนั้นอันมู่นี่นะยังว่าให้พี่นาดูให้ดีสินั่นเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้ามีรูปร่างสวยงามถึงประนั้นพระองค์ก็ยังทรงพิจารณาเห็นว่าไม่สวยไม่งามยังสละราชสมบัติออกไปบวช ถ้าพระ อ, องค์หลงติดอยู่ในรูปอันสวยอันงาม น, นั้นโอ้พระ อ, องค์ก็นหนีออกบวนไม่ได้เลยทั้งนี้ก็เพราะบุญบา ร, รมีที่ได้สร้างมาแต่อนเนกชาติมันดนบันดาลให้พระ อ, องค์ได้พิจารณาเห็นความจริงของชีวิตตามเป็นจริงนอกจากความไม่สวยไล่งามแล้ว ก็ยังเป็นของไม่เที่ยงอีกอยู่ไปนานไปก็ชำรุดชุดโทรมไปเหี่ยวแห้งไปแล้วก็เป็นบอ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่ต้องเยียวยารักษาการผู้ที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยอ้าก็เป็นภาระต้องเอากันไปลงพยาบาล ต้องหาเงินไปชำระค่าหมอเขารักษาผู้ไม่มีเงินก็ไปโรงพยาบาลเขาทางการจะจัดห้องอนาถาไว้อีกห้องนึงก็สงสารกันโดยฐานที่เป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันจะไม่รับเลยอย่างนี้ก็ดูหน้าไม่หน้านั่น ไม่น่าทำอ่าก็จัดใช้อยู่ห้องอนาถานั่นสะเออหมอก็ไปรักษาตามมีตามได้ไม่ได้เอาใจใส่เหมือนอย่างคนมีเงินมีทองหายก็หายไม่หายก็ตายแล้วก็แล้วไปลองคิดดูสิรูปร่างกายอันนี้นะ แล้วคนผู้ไม่มีบุญก็อย่างว่านั่นเนี่ยคนผู้ไม่มีบุญเนี่ยก็ตายฟรีแทนที่ว่าหมอเขาจะรักษาให้หายได้เมื่อไม่มีเงิ น, นเนยเขาเขาก็ไม่เอาใจใส่โรคภัยมันก็กำเริบแแรงขึ้นก็ทนไม่ไหวตายนั่นเดียวว่าพูดถึงคนบุญน้อย คนผู้มีบุญมากก็ยังชั่วน้อยเกิดมาแล้วก็มีเงินมีทองมีฐานะดีเจ็บใครได้ป่วยลงไปโรงพยาบาลก็หมอเก่าใจใส่ดีเพราะว่ามีเงินเสียค่าหยุบค่ายาค่ามหมอรักษาดูแลแต่ถึงอย่างไรหมอจะรักษาหายไปแล้วภายหลังมามันก็ต้องมี โรคภัยเบียดเบียนอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่หายแล้วแล้วไปนะถ้าคนเราไม่ป่วยแล้วไม่ตายหรอกก่อนมันจะตายนี่ก็เพราะมันป่วยนั่นแหละร่างกายมันหมดแล้วบุญกุศลทินธรรมาชาติก่อนตับติดตามมาบำรุงรักษาไว้นั่นมันหมดลงแล้วพอบุญเก่าหมดลงแล้วร่างกายอันนี้ รับประทานอาหารก็ไม่ได้อาหารก็จืดทืดไปเลยพระบุญเก่าหมดลงเหตุนั้นมันจึงได้ตายนั่นเนี่ยถ้าผู้ใดมีบุญเก่านั้นยังมีอยู่รับประทานอาหารก็ยังมีรสอร่อยอยู่ยังมีอายุยืนยาวนานไปได้อยู่มันเป็นอย่างนั้นคิดดูให้ดีเพราะฉะนั้น อย่าไปเข้าใจว่าเราจะอยู่ไปได้นม้นานไม่นานอะไรหรอกพรบุญเก่าหมดหลงเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นนหะพี่นาให้มันดีถ้าถ้าไม่เป็นเช่นว่านี่คนก็ไม่ตายแล้วจะตายอะไรนะอาหารรอเลี้ยงอยู่ทุกวันอยู่รับอาหารอี่ทุกวันอยู่อถ้าอาศัยอาหารนี่เป็นอยู่ได้นี่ไม่ตายคนนะ่ะ แต่ทำไมล่ะมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่มันจึงตายนั่นแหละให้เข้าใจมันหมดบุญเกา่าบุญเก่าหมดไปมันจึงตายมีอะไรล่ะเพาะฉะนั้นจะบอกกันพิจารณาให้ดีผู้ปฏิบัติธรรม จะเป็นนักบวชก็ตามเป็นกระเรืองหัดก็ตามควรพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละอย่างน้อย้าเป็นกระเรือหัดก็ไม่ทำบาปเมื่อมองเห็นร่างกายอันนี้มันไม่เทียงไม่อย่างยืนเราจะไปใช้มันทำบาปไปทำไมไปเมื่อใช้กายวาจานี้ไปทำบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษแล้ว ผู้เสวยผลเองบาปนั้นคือจิตนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี่มันก็หมดบุญเก่าแล้วก็แตกสลายลงอย่างว่านั่นเนี่ยแต่จิตที่มันไม่ตายเหมือนร่างกายนี้มันอาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้นะมันก็ถอนตัวหนีบุญบาปพาไปออบาปพาไปกับสุขุกบุญพาไปกับมีความสุข ไปเกิดในโลกหน้ามีความสุขความจเจริญไปชั่วระยะหนึ่งพอหมดบุญเก่านะั้นแล้วอา้าอยู่ไม่ได้ตายเป็นเป็นไปอยู่เป็นวัตจักอยู่ในชีวิตนี้นะเพราะฉะนั้นพิจารณาดูให้รู้ใ ห, ให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็วางเฉยลงไปอย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่าไปรักอย่าไปไข่ขลายความรักความไข่ออกไปจากจิตใจ แล้วนี่แหละคือหนทางพนทุกข์ภายในสงสารตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังแสดงมา